เมื่อเราปีิบัติธรรมมีคูบาอาจารย์แตกต่างกันแต่ลึกมายในการปฏิบัติธรรมคือการเข้าถึงคำสอนขององค์สมานุรร a ที่เดียนกันแต่ทำไมบางคนยังยึดวัดยึดว่าองค์ไหนดีกว่ากันอย่าให้ราจดาสอนเรื่องการศึกษาธรรมะที่ง่ายๆเราควรทำอะไรให้มีสติปัญญา เรื่องของความปรึกจาเนี่ยถ้าว่าเราเราจำประเดได้หรือว่าจำสาระได้ก็อาจจะเห็นก้อนที่จะไม่ได้แตกต่างกันอันนี้หมายถึงว่าความแตกต่างก็จะเป็นในวิธีการรูปแบบฝังผ่านใช้ลมหายใจฝังท่านสอนให้เติมโตฝังผ่านสอนให้ยกกระดสร้างแรงกว่าตอนท่านก็นให้เห็นโวยกั น, กน ที่จริงแล้วนี่การวิธีการการระ ย, ยางทีก็อาจะมุ่งบพ อ, อทำบางประเภทช่นบางท่านเนสติบางท่านเนสมาธิบางท่านไนเรื่องวิปัสสนาความใตยังรตือรอยู่ในแง่ของจุดหนึ่งแต่ว่าถ้าเราจับตากล้ก็จะเห็นได้ว่าวิธีการการระยาผู้ทสนใจนะ ก็จะสอนพร้อมกับคการอสอนปุญจแล้วก็เป็นไปาตามหลักปรัชญาศีลสมาธิสัญญาแต่ว่าถ้าว่าเราวางผิดวางใจเนี่เป็นหรือว่าเราไม่มีปัญญาสอนเราก็จะไปเหตที่รูปแบบเมืเ่อเหตุที่รูปแบบเนี่ยก็จะไปมองว่าวิธีอู่ น, นั้นเนี่ยไม่ถูกนะโดยที่อาจจะยังไม่ได้ศึกษา ให้ของแท้ลอกดาก็าเป็นธรรมดาว่ามีความยึดติดในวัดเนี่ยในครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมุที่ยังมีความยึดถือมั่นในตัวเองของครูเวลายึดเนี่ยในทิศวัดยึดครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะมีความยึดว่าเป็นอาจารย์ของฉันสนัมนกของฉัน มันจะมีคำว่าตัวกูของกูเนี่ยพวงมัติดอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นธรรมดาของลูกเลยเพราะว่าลูกเราเนี่ยมันจะมีความติดติดในเรื่องตัวกูของกูเนี่ยได้ง่ายมากเรานั่งก็อี้เนี่ยเสร็จแล้วเราไปห้อง น, น้ํากลับมาเนี่ยมีคนถือนั่งแทนเราก็จะไม่ปอดใจว่า ทำไมมานั่งที่หน้าของกูใช่ไเพิ่งนั่งไปได้หนาทีของกูเกิดขึ้นแล้วซึ่งที่มันเป็นของดมอนไม่ใของกูใช่ไหมไความความนึกในของกูนี่มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากแล้วก็ถ้าไมรู้เท่ความเนี่ยก็จะไปนึกกูบายจารมนึกสานักซึ่งมันเป็นทึ้นมาความทุกข์ก็ว่า ใครที่ไม่ไม่ศรัทธาไม่เคารพหรือว่าไม่มาสมัครทางการปฏิบัติในสำนักของคูเนี่ยก็อาจจะไม่ปล่อยใจเช่นีเพื่อนเลี้ยงเพื่อนสนิทนะแต่เพื่อนเนี่ยทนที่จะมามาปฏิบัติในสำนักของคูหรือของอาจารย์คูไปสำ น, นักคูก็เลือกที่อยู่ในสายเดียวกัน สายของครูบาอาจารย์เดกันแต่ว่าไม่มาปฏิบัติที่สำนักของกูก็จะไม่พอใจอันนี้เนี่ยให้ตระหนักว่าเนี่ยในความในความลึกในตัวของกูเนี่ยมันเกิดขึ้นนะและนี่ะคือที่มาวามทุกข์เวลาลดหายของหายนะเราจะไม่ทุกข์เลย ต่างอะไรที่มันไม่ใช่ของกูใช่ไแต่พอถ้าเป็นของกูหายไปื่ไหร่เนี่ยนะจะเดือดอร้อนใจขึ้นมาทันทีคนตายที่เสียชวนห้าแสนคนเขาถุกปัดพ่อแผนดิกว่าเราไม่ได้เดื อ, อดร้อนเลยนะแต่พอยาติของเราเพื่อนของเร า, เราตรวจพบเป็นมะเร็งโอ้เรานอนไม่หลับท่า น, นที่ ปริมาณก็ดีความเข้มข้นของปัญหาบ็ดีต่างกันเนยอะ500คนที่เสียชูนตายไปเราไม่ไม่ไมกูเพราะว่ามันไม่มีความยึดมัน่นมาเป็นของกูเพื่อนร่วมชาตของกูญาติของกูไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นเพื่อนของกูญาติของกูควรที่นอนี่นอไม่นนหลัอันนี้เนาะสติที่คนอำนาจของโ ต, โตัวกูเนี่ยมั น, นแรงเหลือเกิ แล้วก็มันเป็นที่มาความคิดได้ถ้าเราถ้าเราถ้ารู้จักก่อไนไม่ต้งวงไทางการทครับมีประสบการณ์เรื่องโภมเริกาดูไหมครับไม้องาให้มีมอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของคำมีด้วยครับ ลัาสังขารโดยการสัมผติยังไม่รับรู้ว่าปรมาอะไรเพราะว่ามันเป็นสำนวนที่คิดมาเห็นต้องให้ท่ายให้ท่านอธิบายเพราะว่าโดยวิสัยบุญชนเนี่ยไอการที่ความตายเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นว่า เกิดจ <enders. S 1> ุดต kind of th ิจีจุดติจเนี่ยก็คือจิที่จุดติว่าดับเมื่อเกิดจุดิจิตจิตันดับนะขต่อไปคือปฏิสนธิจิตที่เิดส่วนที่มีาณนัการเกิดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยความตายเกิดขึ้นเนี่ยมันง่า่เกิดขึ้นสำหรับทุกคนเมื่อจิตบันดับในความมาณด้วยปจุดติดจิตก็เลยได้ตั้งใจว่ามันจะมันพิเศษตงไปเพราะมันเป็นธรรมราที่ต้องที่ต้องที่ต้อง ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วจากความตายของทุกคนแต่ที่มันแปลกคือว่ารักสังขารพร้อมๆกับรักอีเล่ตรงนี้จะจะน่าสนใจกว่ารักสังขารสมราะมันรัอกอีเหรือว่ารักอีเล่แต่ประุชนเรานี่เราก็จะมันก็ต้องสรางสังขาระนความมาณที่ว่าเกิดติดติดหอติดต่แล้วก็ไปเกิดใหม่เมื่อสติสุขที่ติดเกิดขึ้น ผมไดเยปสาวัอย่างท่านเจ้าเาอกการอท่านกเรื่ององกรที่ต้องตรวสอบสิทธว่ายนี้พวกเราป้องกันความสุขอย่าหนึ่งเยกวามากๆแล้วมันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็หลายครั้เขาไหารหรือเอาทที่แต่ไม่ได้ ท่าน่าอธิบายว็เป็นปัะเป็นธรรมชาติของความสุขทางวัตถุหรือการรัสุกก็คือว่าเมื่อเราได้รับความสุขมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกเฉยกับมันไนะม่หมายนีงก็สุดแต่พอเสร็จมากๆเ่านี้มันจะเฉยนะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้น สมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยวิทยาลิขันเราฟังชื่อเอเอเราฟั่งเพลงทางชื่อเอเอไอซองดนะในดวงสว่าแล้วก็จะพร้อมอยู่เลยแต่พอมี F&M เฟังเนี้ยเองไม่ได้นะต้องฟั่ง F&M แต่เดยวนี้ใครฟังเ m มบ้างไม่ฟังนะ่เราฟังดิจิตอลใช่ไหมถ้าฟังเ m เนี่ยฟังเ m นี่มันไม่พร้อมเมันต้อง ฟังดิจิตอลดิจิตอดเนีนะมันไม่ใช่แค่ MP3 มันต้องม้าสแตนดั้นต้องไอคอร์ดเห็นี้ใครฟังฟังไอ m 3มันก็ไม่พอ้ะมันต้องฟังไอคอร์ดนั้ะคือมันมันจะต้องไต่ระดาบสูงไปเรื่อยๆถ้ากินกาแฟเนี่ยหรือสูบบุรีแต่พอสูบบุรีขคึ้นมวลก็พอแล้วแต่ว่าตอนหลังคึ่มวลไม่ได้มันต้องเพิ่มเป็นนมูลแล้วเพิ่มเป็น2มูลสามูวล คือมันต้องไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องเพิ่มเพิ่มปริมาณเรื่อยๆถึงจะได้ความสุกเข้าเติมแต่ก่อนกินกาแฟครึ่งครึ่งคึ่งช้อนเนี่ยก็มีความสุกแล้วามสคะแนนแต่ต่อไปเนี่ยจะไม่ได้ความสุกสามคะแนนเนี่ยคึ้นช้อนไปแล้วต้องกินหนึ่งช้อนแล้วก็เพิ่มเป็นสช้อนเพิ่มเป็นสช้อนคือนี่คือความสูกของ ที่เป็นธรรมาชาติของความสุขธรรมวัตถุคือว่าความความสุขเนี่ยมันจะมันจากจา ก, การที่เราจะได้ความสุขเท่าเดิมเนี่ยเราต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นหรือว่าเพิ่มเพิ่มความประณีตมากขึ้นถึงจะมีความสุขเท่าเดิมบางทีเนี่ยอตาตมาเสริแล้วดูว่าบางทีเพิ่มมากขึ้นเนี่ย แทนที่ได้ความสุขมากขึ้นกับตัว่อกตัวอย่างเช่นเราลองอาหารที่เอาที่เราชอบหมูฉลามหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าไก่ย่างตอนที่เราตีในวันเนี่ยมันก็อร่อยแต่ถ้าเรามี็นหมูฉลามทุกวันวันละสามมื้อเนี่ยมันจะไม่อร่อย ถ้าเาตีตทังเดือนนะมัน เ, เริ่มเบื่อแล้วตีน า, ตานนะกว่านั้นเริ่มเรียนแล้วตีเป็นเดือนที่สามมันจะอาเชียนะคือเรืร่อความสุ่ต่ำเลยเรื่อว่าคือมันต้องเปลี่ยนคือตนถ้ามันไม่ถ้ามาั น, นมไม่เพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆนะมันต้องเปลี่ยนคุณฟังเพลงจำเพลงของดาราตั้งรองที่อดำศิลปินชื่อ ด, อดาตางทีแรกนองพรอมแต่คุณฟังร้อยครั้งนี่มันใหพรอ คุณต้องคทำสเตจใหม่ต้องคุณฟังเตจเดิมอีกร้อยครั้งคุณจะรวยเลนี่คือธรรมชาติการสูว่าคือคุณต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นถ้าเป็นพวกกาแฟบูดีหรือไม่คุต้องหาของใหม่มาแทนที่เพราทําให้มันไม่มีความพอใจสตีก็ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยต้องดิ้นรนอยู่เรื่อยซึ่งทางความสูงภายในความสูงภายในเนี่ย มันจะมันจะยั่งอยู่กว่าความสุขจากจิตที่สบงบความสุขจากการที่มีสมาธิมันจะมันจะยุติยั่งยืนกว่าความสุขทางวัตถุหรืว่าามสุข้อกไปอย่างนั้นแต่สุขก่างเนี่ยจะจะประณีตกว่าเราก็จะให้ความพอใจได้ได้ดีกว่าแล้วก็มันก็จะไม่ไปเหยื่เนื้อ นั้นเปสร้างความเดือดร้อนกับใคเพราะว่าถ้าเราต้องการความสุขจากภายนอกเราก็ต้องไปยื้อแื้วองไปยี่ยไปแย่งจากคนอื่นเกิดการแย่งแย่งกันเพราะถ้าเป็นอำนาจก้อตําแหน่ถ้าเป็นชื่อเสียงก็ต้องแย่งแย่งกันใครดังกว่าใชมถ้าดังน้อยกว่าก็มีความทูกต้องดังกว่าแต่ว่าสุดภายในในี้มันก็ไปแข่งันับ้าหลือขอ chứ chế nó t r o người cao tham cứ c n g tham nhưng o r r mò มันก็ให้มีสตริรู้ให้มีสติรู้เพิ่มทีเดีเกิดขึ้นไห้ว่าทีเดีนั่นจะเป็นะจะเป็นความความโรภความโกรธหรือแม้แตความขลงเช่นหรือ ม, มาจะมาจะมาไรู้ของที่วมันเป็นธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นนะเพราะว่าจิตของเราในมุมความเจียมปูนแต่งไปต่างๆ น, นานาได้ตลอดเวลา อันนี้เราต้องมีสติรู้เพียงแค่มีสติรู้เพื่ออิเล่เกิดขึ้นเพียงแค่นั้นนี่มันก็มากพอที่เราให้อิเล่เนี่ยมันอยู่ไปจับาจได้ถ้ามีสติแต่บางครั้งเนี่ยสติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสติที่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ร่องไวปากเพียว หรือเป็นสติที่ยังยังเตี้ยด้วยใจเช่นเวลาเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจเนี่ยบางคนไมู้ว่าทำไมรู้ว่าโกรธแต่ทำไมความโกรธไม่หายก็เพราะว่ามันไม่ได้รู้ด้วยใจไม่ได้รู้แบบสติบริสุดแต่ว่ามันมีความอยากที่จะให้ความโกรธต่างๆหรือว่ามีความรู้สึกรังเกียจความโกรธที่เกิดขึ้นในใจเลยพันปฏิบัติความเนี่ย เวลาความคลื่นซ่า น, า, านเกิดขึ้นเวลานิวรอนเกิดขึ้นเวลานี่เลยเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความอยากที่จะให้นิวรอนลนั้นเนี่ยดับไปหายไปหรือที่มักึกเป็นลบต่ออารมณ์หรือที่เนี่ยนั่นที่มันเกิดขึ้นธรรมชาติของจิตเนี่ยยิ่งไปกดข่มมันเท่าไหร่ยิ่งไปปฏิเสธมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีพลังมันเหมือนกับเราเนี่ยไปพยายามไปกด ลูกบอลให้มันจมน้ําต อ, กกอนผลกบอลจมน้าเนี่ยถ้าเราออกแรงกดมันก็ออกจมน้ำจริงนนะแต่พอเราปล่อยเมืนะ่อไหร่ะมันก็เด้งเด้งขึ้นมาหรือเหมือนกับเราพยายามผักไอ้เก้าอี้ผลั ก, กตุ๊กตาลูๆเราผลักไปแรงเท่าไหร่น่มันก็จะเด้งแบบมาแรงเท่านั้นอารโรนอีเล่ที่ถ้าเราพยายากดข่มมันเนี่ย มันไม่ใช่หายนะแต่มันจะความที่มันเด่งกลัขึ้นมาเวลาเรามีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นถ้าเราไปกดโมมันเนี่ยมันมีฟุ้งเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกลียดตัวมันทำไมคนที่บอกว่าไม่ทไมฉันก็มีสติรู้ตัวนล้ว่าโกรธแต่ทำไมไม่โกรธไม่เลยกเพราะว่าสติที่เรามีเนี่ยมันไม่ใช่สติที่เป็นโดยสิ้นเชิงแต่มันเจือด้วยเจือด้วยความรู้สึกเป็นลบต่อ ต่อความโกรธซึ่งมันก็ทําให้ความโกรธเนี่ยไม่ยอมหายสักทีมันเลยจะพยายามดับดักไฟขึ้นน้ําแต่ระดับน้ําที่เราดับเนี่ยใด้ดับไฟเนี่ยมันไม่ใช่น้ําบริสุทธิ์แต่มันเจอด้วยน้ํามันไปแล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่ดักหรอกนะกามันมีน้ํามันเข้าไปผสมด้วย ท่านทางที่เรียนรู้ว่าอิงสตริรู้ใจใจเป็นกลางต่อที่เหตเกิดขึ้นมันก็จะช่วยได้เห็นอย่างที่มันเป็นอย่างที่หลวงพ่อเทารู้ซื่อๆรู้เฉยๆหรือว่าใจเป็นกลางต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่วบว่ามันก็จะช่วยทำให้ที่เหตุนั้นเนี่ยถูกใบตัดใจเป็นกลางไ เวลาไปวัดเจนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะเหตุไดครับผู้ชายคงเพราะว่ามีทางเลือกเยอะในการที่จะที่จะสายมาความสูงหรือว่าทางกับทูตนซึ่งมันส่วนใหญ่ก็เป็นทางกับผู้ที่ชว่กลาว เป่งแรงไปเพิ่เมเิอะไรอย่งอุ่นะผู้ชายก็จะออกไปทำา น, นเพราะว่าสังคมปัจจุบันมันให้ให้ทางเลือกกับผู้ชายมากกว่าในการที่จะหาความสุขแล้วก็การบรรเขาทุกข์แต่ว่าไอ้ทางเลือกที่มีเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมันเป็นทางที่นำไปสู่ปัญห า, าการที่ตามามากๆ มันแก้ด้วยช่ราวเช่นไหนบังทิแหลเล้งพวถ้าถ้าเราไปแหลงันเทิงก็จะเห็นว่ามันก็มีผู้ชายเป็ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าทำไมในผู้กผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเราะมันไปพินทจพิางณ์นี่ยใช่มดังนั้นก็คตอบง่ายแล้วว่าคำตอบคือว่าทาไมในพูกมีแตผู้ชายเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคำามว่าทาไมว่ามีแต่ผู้หญิงไม่ได้ไม่ใช่ผู้ชายมันเรื่องโยงกันทั้ อแชาตินี้เกิดมา เ, เป็นผู้หญิงนะรับ็นู้หญิงนแอชาติหน้าจเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงขึ้นอยูดด่กับอะไรครับุณต่อันนี้แมมก็มีหลายทฤษฎีนะเพราะว่าคาสอนที่สอนกันมาในของครบาอาจารย์หลก็บอกว่าต้องทำบุญให้มากทำบุญให้มากเนี่ย จะได้เป็นผู้ชายแต่ว่าคำสอนก็บอกว่าสึ่งมีหลายประเด็นเลยบอกว่าถ้าเราทาบุญดีทำเตยดอกไม้ชาติน้าเราจะเป็นผี้ที่สวยงามอ้าวทำุมากทมเป็นผู้ชายทำบุญมากๆ ท, ท, ทำไมจะได้เป็นผีที่สวยงามหน้าตาของใสวันนั้นของใสใช่ดูเปขันแจงใช่มเพราะว่าถ้าทำบุญมากๆเนี่ยต้อเป็นผู้ชายเไม่ต้องมามีผิวพรรณของใสแต่เราก็ได้ ในพระไตรปิฎกบอกว่า้ารทำบุก ม, มากๆเนี่ยชาติ น, น้าจะมีผิวพราณของสายสวยงาม่ไมก็แสดงว่าการทำบุญ ม, มากๆก็ไม่แปลว่าจะ่ผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าการที่เป็นผู้หญิงก็ไม่ไแปลว่ามันทำบุญน้อยอันนี้มันธรรมาก็ที่ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นคำสอนซึ่งอสอนแตก ต, ต่างแต่ถ้าตามาตามพระไตรปกเนี่ยในญาติธตราพูดเนี่ย แสดงว่าการเป็นผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดเรื่องทำางินเท่าไรเพราะว่าทำางินมากๆเนี่ยเป็นผู้หญที่สวยงาก็ก็มีนะเป็นคำสอที่มีประเทศเรนีงายกเาป็นผู้หญิงนะครับายกบ้คุณเดลผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นผู้หสาเาเพื่อแด้ว่ครับก็เดินทางมาถเวลาของสุกร เราในเรื่อได้เม็ตาได้ำทำทำไดดีที่จะนที่เลี่ยนหนังสือ ก, ก็สามารถที่จะได้มีตัตาเก็บไว้